โลหิตุ ป, ปาทกกกรรมะว่าด้วยพระเทวทัตทำร้ายพระศาสดาจนห้อพระโลหิตสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จจงกรมอยู่ณนะที่ร่มเงาภูเขาคิชฌกูฏ ครั้งนั้นพระเทวทัตขึ้นภูเขาคิตจกูดกลิ้งศิลาก้อนใหญ่ด้วยหมายใจว่าเราจะปรงพระชนพระผู้มีพระภาคด้วยก้อนศิลานี้ยอดภูเขาสองข้างมาบรรจบกันรับศิลาก้อนนั้นไว้สเก็ดศิลากระเด็นจากก้อนศิลานั้นไปกระทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคจนพระโลหิตห้อง ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแหนพระพักได้ตรัสกับพระเทวทัตดังนี้ว่าโมคะบุรุษเธอสั่งสมสิ่งที่ไม่ใช่บุญไว้มากที่มีจิตคิดร้ายคิดฆ่าทาโลหิตของตถาคตให้ห้อลําดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่า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 จึงพากันเดินจงกรมอยู่รอบๆวิหารของพระผู้มีพระภาคกระทาการสาทยายเสียงดังอึกระทึกกึกก้องเพื่ออารับขาป้องกันคุ้มครองพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคทรงสดับเสียงสาทยายเสียงดังอึกระทึกกึกก้องจึงรับสั่งถามท่านพระอ น, นุ์ว่าอา น, นุนเพราะเหตุไร เสียงสาทยายนั้นจึงดังอึกระทึกกึกก้องท่านพระอานนท์จึงกราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญภิกษุทั้งหลายได้สดับข่าวว่าพระเทวทัตวางแผนปรงพระชนพระผู้มีพระภาคจึงพากันเดินจงกรมอยู่รอบๆวิหารของพระผู้มีพระภาค กระทำการสาทยายเสียงดังอึกระทึกกึกก้องเพื่ออารักขาป้องกันคุ้มครองพระผู้มีพระภาคเสียงสาทยายนั้นจึงดังอึกระทึกกึกก้องพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท่าเช่นนั้นเธอจงไปบอกภิกษุเหล่านั้นว่าพระาศาสดารับสั่งหาพวกท่านท่านพระอานนท์